จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้พุทธวจนะวันนี้เราก็มารับอาหารเช้าอาหารใจ ทานอาหารใจกันซะก่อนเราพอใซตสายหน่อยเราค่อยทานอาหารกายที่จริงเรื่องของอาหารเนี่ดูดูมันก็ซ้ำซ้ำซักจำเจนะ บ, บางท่านอาจจะเบื่อเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับว่าเราทานแต่ของเก่าๆแต่ก็น่าเห็นใจนะแต่ว่าทือว่ามันมีสาระมีประโยชน์เราก็น่าจะทานเข้าไป อันที่จริงเนี่ยอาหารเนี่ยเขาไม่เบื่อหรอกอาหารเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ให้ประโยชน์กับร่างกายและก็จิตใจเท่านั้นเองเขาไม่ได้เบื่อแต่ว่าผู้ที่เบื่อนั้นน่ยไม่ใช่อาหารเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจตัางหากนะเป็นผู้ที่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความคิดในกิเลส ที่มันจอนเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเราก็ต้องมีสติตั้งรักทําความรู้สึกตัวรู้ให้ทันรู้ให้ทันความคิดให้ทันอารมณ์ที่จอนเข้ามาสู่จิตในแต่ละวันเนี่ยมีมากอย่างเช่นความอยากความอยากที่เขาเรียกว่าเป็นความโลภเราเคยมีไหมถ้ามันเกิดความอยากอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีสติรู้ให้ทันมันไม่ที่ไหนละครับความอยาก ไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเราดูลงไปที่ใจเราเลยเนี่ยดูในอาการของมันที่มันกำลังอยากเต้นเร่าๆอยู่ในใจิตใจอยากได้เรื้อกินเนี่ยไอสิ่งเนี้ยข้าวของเครื่องใช้อยากได้เรื้อกินอยากจะไปหาไปซื้อมาหรือแมก้กรทั่งอาหารที่เราอยากที่เราชอบต้องรู้ให้ทันสัไม่ต้องไปห้ามหรอครับรู้ให้ทันในความอยากแล้วก็อย่าไปทาตามมัน ถ้าเราไปทําตามความอยากเนี่ยเราก็ต้องตกเป็นทาสเขาตลอดไปสมมุติว่าเราอยากจะดื่มสุราแล้วก็อย่าเพิ่งดื่มให้รู้ทันในความอยากนั้นซะแล้วความอยากนั้นก็จะหายไปถ้าเขาไม่หายเราก็ต้องมีวิธีการที่จะเปลี่ยนอารมณ์มารู้ที่กายเคลื่อนไหวสะบ้างจับหลักการเคลื่อนไหวที่กายกระดิกนิ้วมือเล่นถูนิ้วมือไปมาให้รู้สึกตัวอยู่กับ กายเนะยนะมันไม่อยากความอยากมันเกิดขึ้นที่จิตที่ความคิดพอเราไม่สนใจในอารมณ์ของความอยากในความคิดที่จะอยากเนะี่ยอาการเหล่านั้นก็จะหายไปอย่าไปทําตามถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็รู้จักต่อรองเข้าบ่าต่อรองอ่ะตอนนี้ยังไม่ทําตาม อ, อ่ะเอาไวตา้ตอนได้สายตอนกลางวานันตอนเย็นๆนี่ฝึกเกี่ยต่อรองเข้าบ้างอย่าตกเป็นทาสรับ ให้เป็นนายเขาสักเาการต่อรองแต่ละครั้งเนี่ยสติมันเกิดมันได้ปฏิบัติธรรมฝึกเที่ต่อรองมันไม่เที่ยงหรอกความอยากมันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอเวลาล่วงเลยไปเดี๋ยวพิมก็าหายบางทีก็ลืมลืมอยากถ้าเราไปทําตามความอยากเช่นเราอยากจะดื่มสุราอพอเราไปดื่มทาตามความอยากแล้วก็ไปดื่มพอดื่มแล้วมันก็ติดเนี่ย ติดแล้วมันก็สร้างความเคยชินที่จะอยากขึ้นมาอีกเราต้องตัดกระแสของความเคยกินซะไม่ทำตามไม่ตกเป็นทาตของความอยากเป็นนายของความอยากซะบ้างใช้ความอยากให้เป็นประโยชน์ซะอยากทำความดีอยากปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยอยากทำประโยชน์เป็นนายหรือบางทีมันเกิดความโกรธอารมณ์โกรธที่เป็นโทสะเนี่ยเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ ให้มีสติรู้ทันซะก่อนความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่นอกตัวเราหรอกไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ใจเราความโกรธที่ใจเราให้มีสติรู้ให้ทันอ๋อนี่มันโกรธแล้วนะเนี่ยอ๋อความโกรธไปอย่างงี้เองนะอย่าไปทําตามความโกรธสังเกตอรู้สักหน่อยถ้าเราไปทําตามความโกรธเนี่ย แล้วก็จะต้องต่อเวรต่อกรรมต่อภพต่อชาติมันก็ไม่สิ้นสุดมันเป็นการสร้างความเคยชินที่จะโกรธที่จะงุดหงิดแม้แต่อารมณ์ไม่พอใจเล็กลน้อยเราต้องรู้จักที่จะมีสติรู้ทันแล้วก็เอาชนะให้ได้โดยที่ไม่ต้องทำตามเราก็ไม่ต้องไปสร้างพบสร้างชาติต่อเวรต่อภยัยต่อไปสาคัญนะความโกรธ มันทำให้เราตกนรกตกอบายภูมิหรือบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกตัวเกิดความหลงขึ้นในจิตใจเราขาดสติไม่รู้บาปบุญคุณโทษอันไหนประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ขาดความรู้สึกตัวเนี่ยคือความหลงความหลงนี่สำคัญมากความหลงนี่มันทำให้เราต้องโลภเพราะหลงจริงโลภเพราะหลงจริงโกรธเพราะหลงจึงอยากเพราะหลงจริงทุกข์ ถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวแล้วเนี่ยความหลงก็จะหายไปทุกครั้งที่เราหลงหรือสติแต่พอเรารู้สึกว่าเราหลงหรือสติแล้วสติก็เกิดขึ้นทันทีเลยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ทันทีเลยความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีอันนี้คือนามธรรมนะคืออาการมันไม่ใช่จิตจิตคือผู้รู้ในอาการไม่ใช่อันเดียวกัน เราอย่าไปเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวเราอันนั้นคือแขกที่จอมาสู่จิตชั่วคราวคำว่าแขกเนี่ยเขาอยู่ไม่นานหรอกเขาผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปจิตผู้รู้เนี่ยคือสติเนี่ยมันก็ทรหน้าที่รู้ไว้เฉยอย่าเอากิเลสเป็นเราอย่าเอาตัวเราเป็นกิเลสให้มันแ ย, ก, ยกกันจิตก็จิตกิเลสก็คือกิเลสใช่ไ กิเลสคือนา ม, มาธรรมสตินี่ก็นา ม, มาธรรมจิตนี่ก็นามมาท่นี่แหละการเจริญสติคือเอานามดูนามเอาจิตดูจิตเอาสติดูจิตอตตันนี้เป็นภาษ า, ษาธรรมความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสเที่จริงเขาก็เป็นครูของเราได้เหมือนกันนะ<ม>กิเลสนี่ก็คือครูของเราคือมาสอนจิตเราให้รู้จัก เท่าทันในอารมณ์เท่าทันในกิเลสไม่ให้ยึดติดเพราะว่าภาวะของกิเลสเนี่ยเป็นสภาพของความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะว่าไปแล้วก็คือเป็นอบายภูมิก็ว่าได้เราอย่าไปเชื่อเรามีสติรู้ทันเข้าไว้เท่ากับเป็นการปิดประตูอบายภูมิเลยปิดอบายภูมิได้เลยถ้าเราไปยึดติดว่าความโลภก็ดีความโรกรธก็ดีความห ล, ลงก็ดี เป็นตัวเราของเราแล้วก็เราก็ตกอบายภูมิในปัจจุบันทันทีเลยแต่ถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาคือความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจเนี่ยมันแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้ทันรู้ทันแล้วก็ไม่ยึดติดว่าเป็นเราซะถ้าเราปิดประตูอบายภูมิได้ถ้าเราไม่ตกอบายภูมิในปัจจุบันแล้วก็เมื่อเราตายไปแล้วมันก็ไม่ตกบางคนสงสัยว่า น, นี่เราตายแล้วจะไปไหนเราจะตกอบายภูไหมจะไปสุกติหรือทุกติเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยดูอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยแต่เราเป็นคนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงแล้วก็มันตกแล้วในปัจจุบั น, นไม่ต้องรอไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าละเรามีสติรู้ทั น, นอาการเหล่านี้เนี่ยในความโลภความโกรธความหลงรู้ทันแล้วก็ไม่ทาตามเนี่ยเราปิดประตูมันได้เลยหัวเลาะเยะ กิเลสได้กิเลสคือ น, นามธรรมาสติผู้รู้นี่คือ น, นามธรรมาไม่ใช่เราทั้งคู่เลยเป็นเรื่องของธรรมชาติกับธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยจิตจะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยให้เรามารู้ตรงเนี้ให้รู้ตรงที่กายที่ใจการมีสตินี่แหละมีประโยชน์มากสติเนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นกระแส อ, อารมณ์และความคิดที่จะมาปรุงแต่งจิตอารมณ์และความคิดนั้นเราห้ามไม่ได้หรอกเขาย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติย่อมมีขึ้นตามธรรมชาติแต่เราสามารถที่จะมีสติรู้เท่าทันในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ไม่เป็นไปตามอารมณ์จะทาอย่างนี้ได้นั้นก็ต้องฝึกสติฝึกทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆกับชีวิตของเราในแต่ละวัน เราทำอะไรอยู่ก็ให้รู้สึกตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ให้รู้สึกตัวที่ที่เราอยู่นั้นจะเป็นที่สงบหรือไม่สงบเราสามารถที่จะรู้สึกตัวได้มีสติได้ขณะที่เรามีความทุกข์เราก็มีสติได้ขณะที่จิตใจเราวุ่นวายฟาุ้งซ่านเราก็มีสติได้เรียกสติกับมานะมาเพื่อนไหวที่กายก่อนก็นได้กระดิกนิวกน้วมือเคาะนิ้วมือเดินเร็ว ตอบหน้าตัวเองบ้างให้มันเตือนให้มันรู้เนี่ยนนเป็นการช่วยช่วยเรียกสติให้มันกลับมาอันนี้คือผู้ที่ใหม่แต่ผู้ที่ทำจนชำนาญแล้วเนี่ยไม่ต้องก็ได้ทุกครั้งที่มันคิดเราก็รู้ทุกครั้งที่มันฟุ้งเราก็รู้ทุกครั้งที่มันหลงเราก็รู้แค่รู้เท่านั้นให้ใส่ใจสักหน่อยใส่ใจในการการทาของเราสักหน่อยใส่ใจคือการ เอาใจใส่กับการใช้ชีวิตของเราทำไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บสภาวะของความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเต็มขึ้นมาเองจิตใจเราจะเต็มด้วยความรู้สึกตัวกิเลกก็จะเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเราต้องมีศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วก็อยากจะปฏิบัติสร้างศรัทธาขึ้นในจิตใจเราเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็จะมีความเพียรต้องมีความอดนทนทาให้ต่อเนื่อง ทำให้ต่อเนื่องนานๆมันหลงแล้วก็แล้วไปเราก็เริ่มต้นีจรู้สึกตัวใหม่ทำให้ถูกวิธีทำสบายๆนะอย่าไปเคร่งเครียดยิ้มๆจิตสติแบบยิ้มๆใจจะเป็นปกติจะเป็นกลางนี่แหละคือทางสายกลางเป็นทางที่สะดวกสบายนะขอให้เราปฏิบัติจิตสติสืบต่อไป